วัพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญสำหรับชาวพุทธสำหรับคนทั่วไปก็เป็นแค่วันหยุดวันหนึ่งแต่ว่าสำหรับชาวพุทธที่สนใจธรรมะพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาสารห บ, บูชาซึ่งเป็นวันที่ชวนให้เราระลึกนึกถึงเหตุการณ์สำคัญ ในพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้แสดงธรรมเทศนาครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาซึ่งทําให้มีพระอริยเจ้าเกิดขึ้นมาเป็นครั้งแรก ถ้าไม่นับพระพุทธองค์แล้วก็หลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมาก็มีพระอริยเจ้าท่านอื่นตามมาคือบรรลุธรรมรวมทั้งหมดห้าองค์ห้าท่านนะพวกเราก็รู้จักดีนะว่าทั้งห้าท่านนี่คือใครเป็นปัญจวัคคีย์ ที่พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อโปรดให้ท่านเหล่านั้นได้เข้าใจธรรมะก็เป็นนั้นว่าพร ต, าตราชัฎไตรนะครบเป็นครั้งแรกก็ในเหตุการณ์ครั้งนั้นหรือเหตุการณ์ในช่วงนั้นคือมีพระพุทธแล้วมีพระธรรมแล้วก็มีพระสงฆ์ เมื่อครั้งที่พระเจ้าเสด็จตรัสรู้ก่อนนนนานสาก่อนนานนานสองเดือนก็มีแต่พระพูดกับพระธรรมแต่ว่าไม่มีพระสงฆ์เมื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จไปไป่าอิสิปตนาเมือกัทยวันก็ได้ไปพบกับปัญจวัคคีซึ่งเคยศรัทธาในในพระองค์ท่าน แต่ตอนน่อหลังก็หลีกเล่นแยกย้ายกันไปเพราะความไม่เข้าใจกันนี่พระพรทธองเสด็สรุแล้วก็เลยมาสอนทำให้กับท่านเหล่านั้นนะท่านที่รู้ทำท่านแรกคือท่านโกนทัญะต่อมาก็วัปปะพทธิยะหมานามะอัตชิก็ตามมาเป็นหกเป็นห้า รวมพระพุทธเจ้าด้วยกเป็น6อันนี้คือความสำคัญนะของวันอาสาฬหบูชาในการครั้งนั้นพระองค์ได้แสดงปฐมเทศนาที่ชื่อว่าธรรมจักกะปตนสูตรชื่อยาวนะจำยากแต่ว่าเป็นเป็นที่มาของสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาที่เป็นกรงรอนะ กลงล้อนี่คือล้อแห่งธรรมที่เคลื่อนขยับแล้วนะเคลื่อนขยับเพราะว่าได้มีภิกษุผู้รูธรรมต่อหลังก็มีอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ภิกษุนีตามมานะก็ช่วยกันขับเคลื่อนล้อธรรมจนกระทํามาถึงทุกวันนี้ก็2องพันปี นะี่จว่าว่าตามปฏิทินไทยก็เป็นเวลาที่ไม่น้อยเลย 2,600 นหะนึ 00, ่งปีพระสูตรที่พระองค์ได้แสดงในวันนั้นเนี่ยมีความสำคัญมากไม่ใช่สำคัญเพียงเพราะว่าทำให้เกิดมีภระยเจ้าหรือว่าอริยสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก แต่ว่ายังเป็นยังได้มอบหรือจุดประกายปัญญาให้เกิดขึ้นกับชนรุ่นหลังสืบมาจนทุกวันนี้คำที่เราคุ้นกันหลายคำก็มีที่มาจากพระธรรมเทศนาครั้งแรกนี้เช่นคาว่า ทางสายกลางมัชิมาปฏิปทาคาว่าทางสุดตรงนะคำว่าอริยสัจสี่นะอันเนี้ยเป็นคำที่ชาวพุทธเรารู้จักคุ้นเคยมาตั้งแต่เล็กก็มีที่มามาจากการแสดงปฐมเทศนาครั้งแรก สาเหตุที่พระพุทธองค์ได้พูดถึงเรื่องทางสายกลางก็เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างกับสิ่งที่เรียกว่าทางสุดตรงการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้มนุษย์เนี่ยได้ค้นพบทางสายกลางพตัตกรเนี่ยคนเรา นึกขึ้นนึกได้จต่เพียงแค่สองอย่างซึ่งเป็นทางสุดตรงทั้งคู่ทางหนึ่งก็คือเชื่อว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้จากการที่ได้ปนเปื้อนด้วยกรามหรือว่าการมมาสุขเนะชื่อว่าถ้ามีความมีทรัพย์สินเงินทองมีอำนาจนะมีค่าท่าบริวารมีชื่อเสียงเกติยตนะ์ก็จะมีความสุข แล้วก็ถึงขั้นว่าหมกมุ่นพัวพันจมอยู่ในการมาสุขชนิดงอหัวไม่ขึ้ น, นอันนี้เป็นทางสุดตรงเรียกว่าการมาสุขคาลิการุโยกซึ่งพระพเจ้าก็เคยผ่านมาแล้วแต่ว่าก็ไม่พบว่าทางสายนี้จะให้ความสุขกับพระองค์ได้ อันนี้ก็ทำให้พระองค์ได้เสด็จออกบวชทางอีกเส้นหนึ่งซึ่งผู้คนก็นึกว่าจะทำให้พ้นทุกข์ได้ก็คือการทรมานตนมันเป็นปฏิกิริยาตรงกันข้ามกับทางสายแรกทางสายแรกเนี่ยปนเปื้อร่างกาย เห็นว่าเรื่องเนื้อหนังนี่เป็นสิ่งสุดยอดจมอยู่กับเรื่องเนื้อหนังความสุขทางเนื้อหนังนะส่วนอีกทางนึงนะี่เรียกว่าปฏิเสธลังเกียจเห็นว่าร่างกายที่เป็นสิ่งชั่วร้ายนะต้องทรมานโดยการ อ, อดอาหารบ้างโดยการ เอาของแหลมมาแทงมาทิ่มหรือด้วยการยืนอยู่ตากแดดนะทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อจะใ ห, ให้ร่างกายซึ่งมันเป็นเนื้อหนังที่คอยชักนำคนให้เข้าหาความความทุกข์หรือว่าความชั่วร้ายเนะี่ยมันพ่ายแพ้แก่อำนาจจิตนะ อันนี้เป็นความเชื่อที่เห็นว่าร่างกายเนื้อหนังเป็นสิ่งชั่วร้ายที่คอยทําให้คนเนี่ยหลงตกเป็นทาสของเงินทองหลงตกเป็นทาสของกามนะเพราะนั้นก็ต้องหาทางที่จะจัดการซึ่งพระพุทธเจ้าเคยผ่านการปฏิบัติแบบนี้มาแล้วแล้วก็รู้ว่ามันไม่ใช่ทาง คำสอนเรื่องทางสุดตรงอันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่มีแต่เฉพาะในสมัยพุทธกาลมันก็มีมาตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้นะคนก็ยังมีความความหลงไหลหรือว่าปักใจเชื่อว่าไอ้ทางสุดตรงสองทางเนี่ยมันจะเป็นคำตอบนะทุกวันนี้นะเราก็จะเห็นคนที่ ถือเอาเงินทองเป็นสารณะถือเอาความสุขความสำเร็มสังหรณ์เนี่ยเป็นสารณะเอาแต่เที่ยวเอาแต่เล่นแล้วก็นำไปสู่การทำความชั่วความผิดบาปหลายอย่างเช่นโกงคอร์รัปชันหรือว่าหักหลังผู้อื่นเพื่อให้ตัวเองได้มีอำนาจให้ตัวเองได้มี ความมั่งคั่งร่ำรวยหรือบางทีก็ไปทำความชั่ ว, ชวเช่นไปป้นนะบางทีก็ลืมตัวจงกันไปทำร้ายชำเรานะผู้หญิงเด็กอันนี้ก็เป็นการสุขาริการนุโยโแบบหนึ่งคือปล่อยให้การมาราคะหรือว่าการมาสุขเนี่ยมันมันครอบงาจิตใจแล้วก็มันชักนำพาไป คนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้อยู่ที่ว่าจะจะจะสแสวงหาสิ่งเหล่านี้มาด้วยวิธีการที่ชอบทําหรือไม่คือถ้าหาวิธีหาสแสวงหาด้วยสิ่งที่ชอบด้วยวิธีการที่ชอบทําก็คือทํำมาหากินนะตามปกติแล้วก็เสพสุขสนุกสนานโดวยวิธีการที่ไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็มีบางส่วนที่ใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องชอบทำผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ในทวันนี้คนก็ยังหมกมุ่นอยู่กับการสุขลื่นการนิยม ก, กันเยอะมากเพราะเชื่อว่ามันจะให้ความสุขแก่ตัวเองได้และส่วนใหญ่ก็พบว่าทำเช่นนั้นไม่ได้ให้ความสุขเลย คือถ้าให้ความสุขจริงเนี่ยก็จะก็จะรู้จักพอแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้จักพอที่ไม่รู้จักพอเพราะรู้สึกว่ายังได้ความสุขไม่เต็มที่ก็เลยต้องหาใหม่เสพใหม่แต่ว่าเสพเท่าไหร่มันก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่ความสุขหรือยังขาดความสุขไปก็คิดว่า เราคงมีน้อยไปมั้งเราคงเสพน้อยไปมั้งก็เลยเสพหนักเข้าไปใหญ่โดยที่ไม่รู้ว่าไอความสุขที่เกิดจากการจากการมาสุขเนี่ยมันเป็นสุขที่ให้ผลแค่ชั่วคราวนะมันอาจจะไม่ต่างจากการสูบกัญชาหรือว่า เสพฝินเสโรอินคือความสุขที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดแค่ประเดียวประดาวพอสักพักก็หายไปแล้วก็มีความทุกข์กว่าเดิมเข้ามาแทนที่นะคนที่เสพ ย, ยานี่นะเขาก็มีความสุขมากมากเลยนะเสร็จแล้วพอลิ์ยาหมดก็ความสุขก็หายไปแล้วก็ ทุ ก, กว่าเดิมก็ทำให้ต้องเสพใหม่คนต้องเสพให้มันเพิ่มขึ้นโดสมากขึ้นจากเดิมที่เคยเสพนิดหน่อยก็เสพเยอะขึ้นบุหรี่ที่เคยเสพแค่มวนเดียวต่อวันก็เสพหรือสูบสมวน3ามมวนสี่มวนห้า ม, มวนต่อวันไปเรื่อยๆคนที่มีความสุขกับการ ช้อปปิ้งนะซื้อของต่างๆตอนที่ได้มาก็มีความสุขได้เสื้อตัวใหม่ได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ได้รถคันใหม่มันก็มีความสุขนะช่วงแรกๆนะแต่ว่าผ่านไป1อาทิตย์2เดือนก็รู้สึกเฉยๆแล้วพอเฉยๆทำไงยอยากได้รสชาติเหมือนเดิมก็ต้องไปหามาอีกต้องไปซื้อมาอีก ซื้อใหม่ซื้อใหม่ซื้อเรื่อยๆเสร็จแล้วก็กลายเป็นภาระพอมมีเยอะๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวไหนดีจะใส่เสื้อตัวไหนออกงานดีคนที่มีเสื้อเป็นร้อยรองเท้าเป็นสิบคู่นี่เวลาจะออกงานนี่ก็คิดหนักแล้วจะใส่ตัวไหนรองเท้าอะไรยังไม่ต้องพูดถึงว่าต้องคอยดูแลรักษามัน เกิดความเครียดความกังวลยิ่งของแพงเท่าไหร่ก็ยิ่งกังวลในการที่ต้องรักษามันและพอมันหายไปก็ยิ่งทุกขนะ์เรียกว่าเป็นสุขที่มีความทุกข์ตามติดมาตลอดเวลาอันนี้ไม่ต่างจากการการหนีเงานะหนีเงากลางแจ้งเนี่ยคนที่มีคนที่พยายามที่ไม่ชอบเงาแล้วก็เกลียดรอยเท้าตัวเองก็พยายามวิ่งหนี แต่ว่าเงารอยเท้าก็ตามมาติดๆยิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่รอยเท้าหรือเงาก็ยิ่งตามมาเร็วขึ้นเท่านั้นอันนี้ก็ไม่ต่างจากคนที่คิดว่าความสุขความทุกข์จะหายไปถ้าหากว่าสอดแสวงหาความสุขมาใส่ตัวให้มากๆไม่ต่างจากคนที่วิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆคนที่ ดิ้นนหาความสุขก็เป็นเหมือนคนที่ไม่เหมือนคนหนีเงาไงนะคิดว่ายิ่งยิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่เงาจะหายไปที่ไม่ได้ตรงเองข้ามมันกลับตามมาติดๆยิ่งแสวงหากวา ม, มาสุขเท่าไหร่ความทุกข์ก็ยิ่งตามมาติดๆอันนี้แหละถึงไม่ใช่เป็นคําตอบของชีวิตอย่างแท้จริง แต่ก็น้อยคนที่จะตระหนักนะเราจึงเห็นคนที่ผู้คนมัวเมากันในการหาความสุขแล้วก็แสวงหาทรัพย์ให้มากๆอีกพวกหนึ่งนะก็ถึงแม้จะไม่ได้ทรมานตนด้วยการอดอาหารหรือว่าการทำร้ายร่างกายตัวเองแต่ว่าก็ทรมานตนด้วยที่อื่น อย่างเช่นบางคนถึงแม้จะมีเงินเยอะนะแต่ว่าอยู่อย่างอัตคัดนะในสายพุทธ ก, การก็มีเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งรวยมากนะแต่ว่าแกแกอยู่อย่างตรนีกินข้าวปลายหับนะแล้วก็ใส่ใส่เสื้อปู ป, ปะอันนี้ไม่ใช่ความประหยัดนะเรียกว่า ทำตนให้ลำบากนะพอตายไปแล้วก็ทรัพย์สมบัติเหลือเยอะมากทรัพย์สมบัติที่อุตสาหามาได้ด้วยความเหนื่อยยากก็ต้องปต้องตกเป็นของหลวงพระเจ้ากตาญนิเตษฐีคนนี้ว่าว่าเป็นคนโงนะ่การทรมานตนสมัยนี้อาจจะไม่ใช่ทรมานด้วยไม่ใช่ทรมลายร่างกายตัวเองด้วยของแหลม แต่ว่าทำลายจิตใจตัวเองด้วยการจมหมกอยู่ในอารมณ์ต่างๆโดยเพราะความโกรธความเกลียดหรือว่าความรู้สึกผิดความเศร้าเสียใจพอมีความโกรธขึ้นก็พยายามที่จะรักษาประคองความโกรธเอาไว้ให้มันอยู่นานๆทั้งที่รู้ว่าจิตใจรุ่มร้อน เป็นทุกข์แต่ว่าก็ยังหวงแหนความโกรธนั้นคนแนะนำว่าให้อภัยเอิอให้อภัยเถิดเขาก็ไม่ยอมเพราะเขารู้สึกว่าอยากจะโกรธต่อไปหรือบางทีเศร้าเสียใจที่คนรักจากไปมีคนมาชวนให้ออกจากความเศร้า เช่นไปเที่ยวตามที่ต่างๆบา ง, างจะได้หายโศกเศร้าหรือว่าให้ทำงานทำการซะเขาก็ไม่ยอมเขาก็นั่งเจ่าจุบเพราะเขารู้สึกว่าถ้าไม่โศกเศร้าก็แสดงว่าไม่รักเขาถ้าเรารักเขาเมื่อเขาจากไปเราก็ต้องต้องโศกเศร้า คือจะรู้สึกผิดถ้าไม่โศกเศร้ามีคนที่คิดแบบนี้เยอะเลยเพราะนั้นก็จะพยายามประคองรักษาหวงแหนความโศกเศร้าเอาไว้ถามมาทุกไหมก็ทุกแต่ก็สึกว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นของดีเคยเจอคนไข้คนหนึ่งซึ่งเป็น เป็นเบาหวานเบาหวานอย่างหนักเป็นผู้ชายวัยกลางคนหมอให้ยาไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมกินนะจนกระทั่งหมอเนี่ยโกรธหาว่าไม่รักตัวเองไม่ยอมร่วมมือกับหมอแต่ว่าพยบาบาลเนี่ยเขาสงสัยว่าทาไม ผู้ชายคนนี้ถึงไม่ยอมร่วมมือกับหมอในการรักษาตัวเองคุยไปก็ได้ความว่าเขาเมื่อ 2-3 ปีก่อนเขาเคยมีแม่ที่ป่วยด้วยเบาหวานแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้เอาใจใส่ดูแลแม่เอาแต่ทำงานจนกระทั่งแม่ตายถึงตอนนั้นเขาถึงรู้สึกผิดว่าเขาเนี่ย ปล่อยปะละเลยแม่พอเขาเป็นเบาหวานมันเขาก็เลยคิดว่าเขาอยากจะก็เลยไม่รักษามีความพอใจที่เบาหวานนี่มันเล่นงานเขาเอาจจะคิดว่าเพราะจะเป็นการไถ่โทษได้เป็นการไถ่ถอนให้ใคลายจากความรู้สึกผิดคือรู้สึกผิดที่ แมด่ดูแลแม่ก็เลยพยายามทำลายตัวเองโดยการที่จะไ ม, ไม่รักษาตัวเองเลยอันนี้ก็เป็นการทรมานตนคนเราทุกวันนี้ทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆหลายอย่างไม่ใช่ว่าจะต้องทรมานแบบสมัยพุทธกาลนื่องจากเรามองในแง่นี้เนี่ยสิ่งที่เรียกว่ากะอัตกตรกิลมรฐานุโยคหรือการทรมานตนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่อง เมื่อ 2,600 ปีที่แล้วแต่มันยังเป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เกิดขึ้นครับสามารถจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนในบางช่วงบางเวลาบางช่วงก็มุ่งไปในทางกา ร, รสุขาริการนิยกเอามัวสนุกสนานเพลิดเพลินเวลาหัวเราะเวลามีความสุขก็หัวเราะดัง แต่พอเจอความผิดหวังเจอความสูญเสียมีอะไรมากระทบใจก็โกรธเสียใจก็จมอยู่ในความทุกข์ปล่อยให้ความทุกข์มันเล่นงานแล้วก็ไม่ยอมสลัดจิตออกจากความทุกข์นั้นโกรธใครก็คิดถึงแต่คนที่ตัวเองโกรธคิดแล้วคิดอีกคิดอยู่นั่นแหละเศร้าเสียใจเรื่องอะไรคนว่าหรือว่าแฟนทิ้ง ก็เอาแต่คิดถึงเหตุการณ์นั้นความสุดตรงหรือทางสุดตรงที่พระเจ้าตรัดเนี่ยนะมันเกิดขึ้นกับคนเราอยู่แทบจะตลอดเวลาก็ว่าได้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ไม่มีอาการรุนแรงอย่างเช่นเวลาลักก็รักแบบ หมดเนื้อหมดตัวนะจนกระทั่งไม่ยอมเห็นความผิดพลาดของเขาหรือว่าความไม่ดีของเขารักแบบหมดเนื้อหมดตัวเห็นเขาเป็นเทพธิดาเป็นเทวดาไปแต่พอเกลียดก็เกลียดแบบทุ่มเทเหลือเกินเกลียดมากเกลียดแบบทุ่มเทนะมันก็เกลียดแบบหมดเนื้อหมดตัวนสุดจิตสุดใจ ไม่เห็นความดีของเขาเลยบางคนที่ตอนรักก็รักกันปานจะเ ก, กลืนเกินแต่พอเกลียนี่ถึงกับลงมือฆ่าได้บางทีฆ่าด้วยความฆ่าอย่างทรมานด้วยอันนี้คือภาะวะสุดตรงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์พุทธชนเพราะว่ามันเป็นธรรมดาที่จะหลงอยู่ในทางสุดตรงนั้น และเพราะเห็นนีแหละที่คาสอนวิจารองทางสายกลางถึงสาคัญมากเพราะว่าเป็นการทำให้คนได้เห็นทางออกจากเดิมที่เคยหลงวนอยู่กับทางสุดโตงซึ่งมันมีแต่ทำให้เกิดความทุกข์ฉะนั้นที่แสวงหาความสุขแต่ว่าหลงเอ่ยด้วยความทุกข์เพราะไม่รู้จักทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางเนี่ย ไม่ใช่ว่าไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ว่าอยู่ตรงกลางๆพอดีพอดีนะแต่มหมายถึงความหมายถึงทางที่มันถูกต้องพุ่งสู่เป้าหมายอย่างอย่างอย่างถูกต้องถ้าหนึ่งใช้คําว่าสัมมานะทางสายกลางก็คืออริมารมีองแปดทุกข้อเนี่ยจะ เริ่มตโดยควาว่าสัมมาสา ม, มาเพราถูกต้องหรือชอบนะชอบนีหมายถึงว่าชอบทาหรือว่าเป็นสิ่งที่ควรที่ชอบนะทางสายกลางคือทางที่ถูกต้องนะเหมือนกับเราจะเราจะมาที่วัดป่าสุกโตเนี่ยมันก็มีทางอยู่เส้นเดียว ที่จะพาเราพุ่งเข้ามาที่สุกโตทางที่เหลือเนี่ยนะมันไม่ใช่ทางที่จะพามาถึงวัดได้อันนี้ก็เรียกว่ามันไม่ใช่ทางสายกลางหรือเหมือนกับเวลาเราจะยิงธนูไปที่เป้าเนี่ย ถ้ายิงธนูตรงไปถูกเป้าเลยเนี่ยอันนั้นแหละคือทางสายกลางถ้ายิงไม่ถูกเป้าไม่ว่าจะาใกล้หรือไกลแค่ไหนก็ไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางเนี่ยนะถ้าจะพูดง่ายๆเนี่ยมันหมายถึงการที่ ทำให้เราเนี่ยได้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาเพราะความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากกิเลสตัณหาเกิดจากความอยากจริงๆแล้วมันมีสองตัวนะคือตัณหากับอวิชชาตัณหาคือความอยากอาวิชชาคือความหลงและที่อยากก็เพราะหลงความหลงเนี่ยสคัญมากความไม่รู้ ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขเงินทองไม่ใช่ความสุขนะการมาสุขเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้มันเจือไปได้วยโทษหรือว่าความไม่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นเพราะความหลงเพราะอวิชชา น, นี่แหละที่ทำให้เราอยากโน่นอยากนี่ อย่างคนที่ติดยาเนี่ยติดบุหรี่ติดเหล้าเนี่ยนะอันนี้แหละเราจะเห็นได้เลยว่าเขามีอวิชชาอย่างชัดเจนถ้านําไปสู่ตัณหาคืออยากแต่วิชชาไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่ติดยาติดเหล้าเห็นว่ามันเป็นความสุขมันเป็นสารนาท่านั้นแต่วิชชามาเกิดขึ้นกับเราทุกคน เพราะว่าเรามีความหลงว่าทุกอย่างมันเที่ยงทุกอย่างมันสามารถจะให้ความสุขหรือว่ามันจะเป็นตัวเป็นตนสามารถจะยึดเป็นเราของเราได้ตราบใดที่ยังอยู่ในอำนาจของตันหาและอวิชชาเนี่ยก็จะไม่มีทางพ้นทุกข์เลย ที่การสุขาริการนุโยกการบำเรอตนด้วยกามเนี่ยมันเป็นทางสุดตรงเพราะว่ามันทำให้เกิดอวิชชาและตันหาหนักขึ้นเช่นเดียวกับอตัตากิลมัฐานุโยกแต่ทางสายกลางเนี่ยนะมันจะมาช่วยทำให้ประการแรกเราตกอยู่ในอำนาจของตันหาน้อยลงเพราะเรารู้จัก ที่จะเดินสวนทางกิเลสด้วยการทำความดีอริยมยงแปดเนี่ยโดยเพราะเรื่องการสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจานีน่อาจจะรวมถึงสัมมาวายามะด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องการทำความดี ทำความดีคือการที่ไม่ยอมตกอยู่ในอำนาจของกิเลสหรือความเห็นแก่ตัวถ้าเราทำตามมันมันก็จะมีอำนาจเหนือเรามากขึ้นเหมือนกับว่าเราก็ยิ่งเลี้ยงมันให้มันอ้วนท้วน พ, วพ่วงพีมีอำนาจมากคนที่ตามทำตามแต่กิเลสเนี่ยก็คือการเลี้ยงกิเลสให้มันมีอำนาจเหนือเรามากขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อเราไม่ยอมทำตามหน้าของมันด้วยการทำด้วยการรักษาศีลห้า โดยการมีวาจาที่ถูกต้องไม่โกหกหลอกลวงไม่ด่าว่าไม่เสียสนะีการที่เรามีอาชีพที่ถูกต้องไม่ไปเบียดเบียนชีวิตอื่นและการที่เรามีความพยายามที่ดีคือเอาอกุศลออกไปจากใจแล้วก็เพิ่มกุศลขึ้นมาในใจอะไรที่ยังไม่เกิด ก็ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ขจัดมันออกไปนี่คือสิ่งที่เราควรทำกับอคุศสรธรรมส่วนกุศลธรรมที่ังไม่เกิดก็ทำให้มันเกิดขึ้นส่วนที่มีอยู่แล้วก็ทำให้มันมากขึ้นนี่คือเรื่องสุดยอด ง, ง่ายๆคือทำความดีแต่ทำความดีไม่พอนะต้องฝึกใจให้เห็นความจริงด้วยเห็นความจริงคือต้องเจริญสัมมา สติสัมมา ส, ส ม, มาธินะจ้าตเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งก็จะเป็นการเสริมสมมาทิทฐิให้มั่นคงแข็งแรงการทำความดีนะเป็นการสวนทางกับกิเลสเป็นการขัดเกลาตัวตนให้มันเล็กลงหรือว่าทำให้ตัว ต, วตนประนีดมากขึ้น ต่กิเลก็ยังมีอยู่ตัวตนก็ยังมีอยู่จนกว่าจะเห็นความจริงเห็นความจริงว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่น่า ย, ยึดถือเลยยึดถือไม่ได้สักอย่างยึดถือเมื่อไหร่เป็นทุกข์เมื่อ น, นั้นนะพอเห็นอย่างนี้เข้าเนี่ยมันก็ใจมันก็ค่อยๆวางค่อยๆปล่อย เหมือกระตก่อนเราเราไปนับถือเงินทองสะสมเงินทองเก็บสะสมทนาบัตรได้เป็นจนเต็มตู้เซฟแล้ววันนึงเราพบว่ามันกลายเป็นแบงก์กงเต็กเรายัางจะเก็บมันไว้ไหมทันทีที่เรารู้ว่าไอ้ธนาบัต ท, ที่เราเก็บไว้ในตู้เซฟในกระเป๋าเป็นแบงก์กงเต็กเนี่ยนะเราไม่เก็บแล้วเราทิ้งเลย คือพอเราเห็นความจริงนะว่ามันก็ไม่ต่างจากแบงก์กรงเต๊กนี่นะหรือไอสิ่งที่เราแบกเนี่ยที่เราเคยคิดว่ามันคือคือทองนะของมีค่าเป็นเพชรแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันก็คือถ่านที่ร้อนแดงแล้วก็วางมันเลยนะวางมันทันทีนะอันนี้คือความหมายของการที่อวิชาเปลี่ยนเป็นวิชาหรือปัญญาคือการที่เห็นความจริง เป็นความจริงแล้วความอยากก็หมดไปมันมันมันมันหายอยากไปเองนะถ้ายังไม่เห็นความจริงเนะี่ยมันก็ยังมีความอยากอยู่ไม่มากก็น้อยและยิ่งมาเห็นความจริงว่าตัวตนไม่มีไม่มีสิ่งที่รเรว่าตัวฉันไอ้ตัวฉันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเห็นอย่างนี้เข้าความเห็น ก, กับตัวก็หมดไปเลยไม่มีความเห็น ก, กับตัวต่อไป แล้วมันจะมีความอยากเอามาสนองตัวตนได้อย่างไรมันจะมีความรู้สึกว่าตัวกูของกูต่อไปไหมมันก็ไม่มีแล้วตรงนี้แหละที่ทําให้กิเลสตัณหามันดับไปเพราะดับไปความทุกข์ก็หายไปความทุกข์ในที่หมายถึงความทุกข์ใจนะไอ้ความทุกข์กายก็ยังมีอยู่ เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้ธรรมดาไม่มีข้าวกินก็หิวนะถาาว่าไม่ได้ทายมันก็ปวดนะปวดท้องปวดฉี่อันนี้ธรรมดามันเป็นทุกข์พระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านก็มีอาการแบบนี้เพราะนี่คือธรรมชาติของสังขารร่างกาย แต่ว่าใจไม่ทุกในธรรมาจาักปตัลสูตรเนี่ยก็จะพวกความแก่เป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์แต่เกิดมาแล้วไม่เป็นทุกข์ก็ได้นะอาจจะทุกข์อยู่ช่วงหนึ่งแต่ตอนหลังก็ไม่ทุกข์อย่างเช่นพระอาหารหันต์หรือพระพุทธเจา้านี่ท่านท่านไม่ทุกข์แล้วความแก่เป็นทุกข์แต่แก่แล้วไม่เป็นทุกข์ก็ได้นะ ถ้าเกิดว่าใจเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับสังขารร่างกายนี่ว่าจะต้องนุ๋มต้องสาวอยู่เสมอเมื่อแก่เราก็ยอมรับมันเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมดาใจก็ไม่ทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์แตเจ็บแล้วไม่เป็นทุกข์ก็ได้นะพราะเห็นว่าเออมันก็ธรรมดาที่ร่างกายต้องมีต้องมีเจ็บมันเจ็บแต่กายมันป่วยแต่กายแต่ใจไม่เจ็บใจไม่ป่วยด้วยความตายก็เช่นเดียวกันเวลาจะตายนี่มันก็เจ็บมันต้องปวดนะ แต่ว่ามันเป็นความเจ็บความปวดของกายแต่ใจไม่ปวดใจไม่ทุกข์ด้วยนี่แหละคือความหมายของการพ้นทุกข์นะคือว่าใจเนี่ยมันหลุดพ้นจากความทุกข์หรือว่าความทุกข์ไม่สามารถจะทำร้ายเล่นงานจิตใจได้หรือจะพูดย่ันก็ได้ว่าจิตใจมันไม่ไปหยิบฉวยเอาความทุกข์ต่าง ของกายมาเป็นความทุกข์ของใจนะกายปวดแต่ใจไม่ปวดนะอันนี้ว่าเพราะมีปัญญาตจถ้ามีปัญญาและไม่มีสตินะใจมันก็ไปหยิบช่วยเอาความปวดของกายเป็นความปวดของใจเช่นเวลากายนี่เมื่อยขาเมื่อยก็จะรู้สึกว่าใจเป็นทุกข์ด้วยนะอันนี้เรียกว่าใจมันไปช่วยเอาความความทุกข์ของกายเป็นความทุกข์ของมัน เวลายุงกัดนะไม่ใช่แค่กายคันกายปวดแต่ว่าใจนี่มันก็ปวดคันเป็นทุกตามไปด้วยอันนี้เพราะไม่มีสติและไม่มีปัญญานะสติปัญญาสำคัญมากซึ่งเกิดขึ้นได้จากการที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิเกิดสมมาสติสมมาสมาธิมากขึ้นก็จะไปนหนุนส่งให้สมาธิถิเนี่ยนะเป็นโล ก, กุตละสมาธิ ถ้ายังไม่ปฏิบัตินะแค่อ่านหนังสือแค่ฟังธรรมก็ยังเป็นแค่โลกิยะสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะนเรียกเป็นโลกิยะสัมมาทิฏฐิใครทําความดีกับเราเช่นพ่อแม่เราก็ต้องตอบแทนบุญคุณท่านอันนี้คือโลกิยะสัมมาทิฏฐนะิแต่ว่า มันยังไม่พัฒนาเป็นโล ก, กุตตระสมะทิฏฐิจนกว่าจะได้ฝึกจิตเจริญภาวนาด้วยสัมมาสติสัมมาสมาธินะเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะความทุกข์ก็ความทุกข์า ก, กายก็ทําอะไรแล้วไม่ได้มีความทุกข์เกิดขึ้นก็จริงแต่ว่าไม่เป็นทุกข์คือเห็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์นะเห็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์ และยิ่งรู้ทุกแจำแจ้งเนี่ยนะให้ทุกก็ทําอะไรไม่ได้อันนี้คือคือคือสิ่งที่พูะเจา้าได้ตัดเหมือนกันในธรรมจักกัปวันนสูตรเมื่อพูะเจ้าได้พูดถึงอริยสัจ4ีว่ามีทุก์ส ม, มุทัยนิโรธมรรคพูะเจ้าก็ตัดต่อไปว่าจะเกี่ยวข้องกับทุกจะเกี่ยวข้องกับอริยสัจแต่ละข้อแต่ละข้ออย่างไรเช่นทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้รู้ รู้รอบนะถ้าไม่รู้ก็เป็นทุกข์นะแต่ถ้าเรารู้ทุกข์เราไม่เป็นทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้สมุทยเป็นสิ่งที่ต้องละนะทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละนะเราต้องเข้าใจทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้สมุทยต่างหาเป็นสิ่งที่ต้องละนี่เราเป็นสิ่งที่ต้องทำให้แจ้งรือทาให้ปรากฏส่วนภาวนส่วนมรรคก็คือ สิ่งที่ต้องทําให้เจริญมากขึ้นคือภาวนาคำว่าภาวนาภาวนาไปให้ทําให้มากขึ้นทําให้เจริญขึ้นเนี่ยเราก็ใช้กระองค์มักด้วยนะมักนี่มื่ภาวนาไม่ใช่ว่าต้องนั่งหลับตานะการที่เราฝึกวาจาของเราให้เป็นสัมมาวาจานี่ก็ถือว่าภาวนาการที่เรามีอาชีพที่ดีงามเป็นสัมมาชีวะนี่ก็ภาวนานะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้ ถ้าไม่รู้ก็เป็นทุกข์เลยนะแต่ถ้ารู้ทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์นะทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องเห็นสู้เป็นสิ่งที่ต้องรู้ไม่ใช่เป็นนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราสามารถจะรู้ได้นะจากพระสูตรหรือพระธรรมเทศนาแรกนี้ซึ่งนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ สู่ผู้คนมากมายไม่ใช่แต่เฉพาะปัญจวัคคีย์ทั้งห้านะตอนหลังเนี่ยไม่กี่วันต่อมายัษะยัสานี่เป็นเศรษฐีนะเป็นลูกเศรษฐีน้องน้องพระเจ้านะมีชีวิตที่สะดวกสบายปนเปลือด้วยกาลมาสุขแต่ไม่มีความสุขเลยวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเห็นผู้หญิงนักร้องดักดนตรีอนะ ถ้าเป็นในวังก็เป็นนางสนมมันนะนอนน้ำลายยืดผ้าผ่าหลุดลุ่ยเห็นแล้วหน้าหน้าหน้าอนเอนกอนาตไม่ได้สวยงามอะไรเลยรู้สึกเบื่อหนายก็เลยเดินออกจากบ้านเข้าไปในป่าแล้วก็ล้ำพึงล้รพันว่าที่นี่วุ่นวายหนาที่นี่ขัดข้องหนาะภูจาดีหญิงก็เลยตอบว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้อง ยันนี้พ ย, พยาศา น, นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าพัวพันอยู่ในกา ร, รมมาสุขอย่างเต็มที่แต่ไม่มีความสุขรู้สึกมันวุ่นวายมันน่าเบื่อนายก็เลยเดินเลื่อยเปลือยมาเข้าไปในป่าบังเอิญไปเจอพระ เ, เจ้าและพยาศานี่แหละที่ตอนหลังก็ได้กลายเป็นพระอรหันตนะ์ก่อนที่จะได้บวช ด, ด้วยซ้ํานะในในพรรษานั้นเอง ในพันศาแรกของพุทธเจ้านั่นเองอันนี้เพราะว่าได้ไดค้นพบว่าอ๋อทุกเนี่ยทุกเพราะยึดนั่นเองนะและที่ยึดเพราะคิดว่ามันจะให้ความสุขกับเราแต่ที่จริงมันมันก็เจอไปด้วยทุกทั้งนั้นอ่ะของที่เราหวังว่าจะให้ความสุขกับเรามันเจอไปด้วยทุกพอเห็นแล้วก็ไม่อยากละพอไม่อยากก็ปล่อยพอปล่อยก็หลุดพ้นเลยจิตหลุดพ้นจากความทุกข์ เนี่ยเรื่องของธรรมเทศนาครั้งแรกของวิจารณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราควรจะศึกษานะแล้วก็เอามาเชื่อมโยงกับชีวิตจิตใจของเรานะเอาลัคำนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้กรับพ